เลี้ยงความคิดอย่างไรไว้ความคิดอย่างนั้นจะเลี้ยงชีวิตหรือทำลายชีวิตคุณในภายหลังคนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตนเองคอยกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีมีสุขหรื อ, อีกทีพอมีความทุกข์ก็ปิดกั้นทางออกซิอย่างนั้นบางครั้งรู้ด้วยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดี ควรยกเอาอารมณ์บวกมาเป็นตัวตั้งแต่ในทางปฏิบัติมักสั่งสมความเคยชินที่จะตามใจตัวเองในการยกเอาอารมณ์ลบออกมาเป็นจุดออกตัวจึงเสียนิสัยติดล็อกอยู่กับความคิดทำนองเป็นไงเป็นกันวิธีฆ่าศัตรูทิ้งบางทีง่ายๆแค่เริ่มฝึกจิตให้ฉลาดขึ้นเห็นศัตรูเป็นศัตรู เอ็นมิรเป็นมิรถ้าไม่สำรวจตนไม่แยกยะไว้ล่วงหน้าว่าความคิดใดเป็นศัตรูวูบของอารมณ์แรงๆจะชวนให้คุณมองว่าศัตรูร้ายคือมิ่งมิตรแต่หากสำรวจทบทวนตนเองและแยกแยะไว้ชัดว่าความคิดใดเป็นศัตรูสติจะทำงานทันทีที่ศัตรูมาไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครองครอบงมจิตโดยง่าย คุณจะแปลกใจว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นยิ่งเหลือเชื่อเพียงไม่กี่วันที่แยกแยะออกว่าความคิดแบบใดคือศัตรูความคิดแบบใดคือมิ่งมิดนิสัยในการคิดคือมนโนกรรมที่กำหนดชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิต